เรื่องตัวอย่างเปรียดญาติพระเจ้าพิมพ์พิสารในอดีตในอดีตการในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าบุตรสะนับถอยหลังแต่พัทธกับนี้ไปเก้าสิบสองกับทัพบุตรสะพุทธเจ้านั้นมีพระคณิตธภาดาต่างพระมารดากันสามพระองค์ทั้งสามพระองค์นี้มีขุนคลังหรือพันธาคาริโกและขุนสวยหรือ นิยุตกะปุริโสพระราชโอรสทั้งสามพระองค์นั้นมีพระประสงค์จะบำรุงพระศาสดาผู้ทรงเป็นกนิธภาดาตลอดเวลาสามเดือนในพรรษาจึงทูลขอพระบรมราชาอนุญาตจากพระราชาพระราชาก็ทรงอนุญาตให้พระราชโอรสทั้งสามพระองค์นั้นส่งพระราชหัตทะเลขาไปยังขุนสวยในชนบทว่าให้จัดการสร้างที่พักสำหรับพระศาสดา เสร็จแล้วให้ทูลให้ทราบ พ, พระราชโอรสทั้งสามได้นำเสด็จพระศาสดาไปยังชนบทของพระองค์คำว่าชนบทในที่นี้หมายถึงเมืองใหญ่เป็นแคว้นทีเดียวอย่างแคว้นโกศลบางทีก็เรียกโกศลชนบทแคว้นหนึ่งแคว้นหนึ่งของอินเดียนั้นใหญ่มากปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันบางแคว้นเช่นอุตรประเทศเพียงแคว้นเดียว มีพลเมืองเกินกว่า75ล้านคนมากกว่าพลเมืองในประเทศไทยเราถึงเกินเท่าตัวแล้วทรงมอบวิหารคือที่อยู่ถวายแล้วทรงมอบหมายงานการบริการพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกให้ขุนคลังและขุนสวยจัดการรับเป็นภาระพระโพรงเองจะทรงผนวดสามเดือนแต่ทรงรับเพียงศสียนสิบนุ่งห่มผ้ากาสายะเหมือนกัน สั่งเสร็จแล้วทรงสมาทานศีลสิบประทับอยู่ในวิหารตลอดสามเดือนคุนคลังคุนสวยและภริยามีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสดาได้ทำทุกอย่างและถวายทานด้วยความเคารพแต่บริวารของเขาบางพวกละโมบโลภลาบได้ทาอันตรายแก่ทานคือกินของที่เขาเตรียมไว้สำหรับถวายพระเสก่อนบ้างเอาแจกลูกหลานเชบ้าง เอาไฟเผาโรงอาหารเสียบ้างพวกนี้ตายแล้วเกิดในนรกหมดทุกคนส่วนพระราชโอรสทั้งสาขุนคลังขุนสวยได้บังเกิดในสวรรค์ขณะที่ทั้งสองพวกเสวยกรรมที่แตกต่างกันคือพวกหนึ่งเสวยทุกข์อยู่ในนรกอีกพวกหนึ่งเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ น, นั้นเวลาได้ล่วงไป9ก้าบสองกับ คลั่นมาถึงสมัยของพระกสปะพุทธเจ้าพวกนรกมาเกิดในหมู่เปรตครั้งนั้นพวกมนุษย์ถวายทานแด่พระกัสปะพุทธเจ้าและอุทิศกุศลผลทานนั้นแก่ญาติของตนด้วยนึกในใจหรือเปล่งวาจาว่าขอทานนี้จงสําเร็จแก่พวกญาติของข้าพเจ้าด้วยเถิดเปรตที่เป็นญาติของคนเหล่านั้นก็ได้เสวยสมบัติ เรตรที่เคยกินของถวายพระได้เห็นดังนั้นจึงทูลถามพระกัสสปะพุทธเจ้าว่าเมื่อใดจะทำอย่างไรพวกตนจึงจะได้สมบัติอย่างนั้นบ้างพระกัสสปะพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในเวลานี้พวกเจ้ายัางไม่ได้แต่ต่อไปภายหน้าญาติของพวกเจ้าจะเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร พระองค์จะถวายทานแด่พระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศผลให้แก่พวกเจ้าในการนั่นแหละพวกเจ้าจะได้สมบัติเปรตพวกนั้นรอพระเจ้าพิมเพชสารอยู่ถึงหนึ่งพุท ธ, ธันดรคือช่วงระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมนี้พระราชโอรสทั้งสามพร้อมทั้งบริวาร ชุติจากสวรรค์แล้วเกิดในสกุลพราหมณ์แควนมคตคือชดินสามพี่น้องมีอุรุเวละกัสปะเป็นต้นขุนคลังเป็นมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะพัญญาของเขามาเป็นนางธรรมธินนาคือพัญญาของเขาอีกขุนสวยมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารครั้นพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริวาร ที่สวนลัทธิวันให้ได้สำเร็จโสดาปฏิผลแล้วในวันรุ่งขึ้นพระราชาทูนิมต์พระศาสดาและพระสงฆ์สาวกให้สหวยในพระราชนิเวศพวกเปรตทั้งหลายยืนล้อมอยู่โดยไม่มีใครเห็นตัวด้วยหวังว่าบัดนี้พระราชาจากทรงอุทิศส่วนกุศลแก่เราพระราชาถวายทานแล้ว มัวแต่ทรงดําริถึงที่ประทับของพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าควรประทับที่ไหนหนอจึงไม่ได้ทรงอุทิศทานแก่ใครๆเลยเปรตพวกนั้นหมดหวังในเวลาราตรีจึงเปร่งเสียงอันน่ากลัวใกล้พระราชนิเวศรุ่งเช้าพระราชาเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงมูลเหตุแห่งเสียงนั้นอย่ากลัวเลยมหาบอพิษ พระศาสดาตรัสเสียงนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแก่พระองค์เป็นเสียงเปรตซึ่งเคยเป็นพระญาติของพระองค์ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตสะและแล้วพระศาสดาได้ทรงเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบโดยตลอดหากหม่อมชั้นถวายทานอุทิศให้เปรตเหล่านั้นจะพึงได้รับผลหรือพระเจ้าข่าได้แน่มหาบอพิษพระศาสดาตรัสรับรอง พระราชาได้ทูลอาราธนาพระาศาสดาให้เสวยในพระราชนิเวศในวันนั้นพวกเปรตก็มายืนอยู่ในที่ต่างๆด้วยหวังว่าพระราชาจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนเปรตเหล่านั้นเสวยผลแห่งความริษยาและความตรนีของตนอยู่บางพวกมีหนวดและผมรุ่มร่ามหน้าดำเส้นเอ็นหย่อนยานอวัยวะน้อยใหญ่ห้อยย้อย หอมเนื้อตัวหยาบดำเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟป่าไหม้บางพวกเปลวเพลิงติดอยู่ที่ท้องแล้วแลบออกทางปากบางพวกไม่ได้รถอย่างอื่นเลยนอกจากรถคือความหิวกระหายแม้ได้น้ำและอาหารก็ไม่อาจดื่มกินได้เพราะมีท้องเหมือนภูเขาแต่ช่องคอเท่ารูเข็มบางพวกได้ของสกปรก เช่นนำเลือดน้ำหนองอันไหลออกจากแผลของเปรตตนอื่ น, นๆกินอย่างอร่อยอร่อยเหมือนดื่มน้ำอมฤตพระศาสดาได้ทรงบรรดาด้วยอิทธาพิสังขารให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นร่างเปรตเหล่านั้นพระราชาทรงถวายน้ำทักษิโนโทกทรงอุทิศว่าขอทานนี้จงสำเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิด ขณะที่พ่อพระราชาทรงอุทิศจบนั่นเองสะโบคารณีที่ดาดาดด้วยปฐุมชาติก็เกิดขึ้นเพื่อเปรตเหล่านั้นคืออยู่ในโลกทิพย์มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นเปรตเหล่านั้นได้อาบและดื่มน้ำในสระระงับความลาบากและความกระวกระวายได้มีวันณะเปล่งปลั่งผ่องใสพระราชาพิมพิสารถาวายอาหารแด่พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและทรงอุทิศให้อีกขณะนั้นอาหารทิพก็เกิดขึ้นแก่พวกเปรตเหล่านั้นพวกเขาได้ดื่มยาคูและอาหารอันเป็นทิพแล้วมีอินทรีย์ก็ปรี่ก็เปล่าคล่องตัวเมื่อพระราชาถวายผ้าและเสนาส น, นะและอุทิศให้อีกสิ่งเหล่านั้นอันเป็นทิพก็เกิดขึ้นแก่เปรตทั้งหลาย พระราชาทอดพระเนตรเห็นสมบัติอันเกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นเพราะการอธิษฐานของพระศาสดาแล้วทรงมีพระฤาทียปรโมดเบิกบานพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกญาหารเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาเพื่อจะทรงแสดงให้ประจักษ์ว่ามีเปรตมายืนอยู่ในที่นั้นนานจึงตรัสคาถาที่หนึ่งว่าหนึ่ง เปรตทั้งหลายพากันมอสู่เรือนของตนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาบ้างที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งบ้างที่บานประตูบ้างเพื่อทรงแสดงผลแห่งกรรมของเปรตจึงตรัสคาถาที่สองสองบางคราวแม้จะมีข้าวน้ำและชัดช้โภชนาหารเป็นอันมากที่เขาจัดแจงเตรียมไว้ให้ผู้มีศีลแต่ญาติของเปรตเหล่านั้น แม้สักคนเดียวก็ไม่ได้ะระลึกถึงทั้งนี้เพราะกรรมของเปรตเหล่านั้นบันดาลให้เป็นไปเพื่อทรงสรรเสริญทานที่พระราชาถวายอุทิศให้ญาติจึงตรัสคาถาที่สามสามแต่ชนเหล่าใดมีใจอนุเคราะห์ชนเหล่านั้นย่อมให้ข้าวน้ำอันสะอาดประณีตตามการอสทควรและอุทิศกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อทรงแสดงทานที่ถวายอุทิศให้เปตชนจึงตรัสว่า 4. ขอทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงประสบสุขเพื่อทรงแสดงว่าบุญที่ญาติอุทิศให้นั้นย่อมได้แก่เปรตทั้งหลายตรัสว่า 5. ญาติที่ล่วงลับไปแล้วมาประชุมร่วมกันในที่ถวายทานอนุโมทนาด้วยความเคารพว่า 6. พวกเราได้สมบัติเพราะญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นจงมีอายุยืนนานญาติทั้งหลายได้ทำการบูชาเราคือการทำบุญอุทิศให้และเขาผู้ให้ทานก็ไม่ร้ายผลเพื่อทรงแสดงการไม่มีแหล่งเกิดแห่งทรัพสมบัติในเปตโลกตรัสว่า 7. ในเปตตโลกหรือเปตวีสัยนั้น ไม่มีกสิกรรมไม่มีการเลี้ยงโคไม่มีการค้าขายเปรตทั้งหลายย่อมเลี้ยงชีพอยู่ด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้ไปจากโลกมนุษย์อย่างเดียวเพื่อทรงอุปมาให้เห็นชัดจึงตรัสคถาที่แปดและเก้าแปดและเกน้ำฝนตกลงบนที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่รุ่มชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกมนุษย์นี้ ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันค่วงน้ำเต็มแล้วย่อมทำสาครให้เต็มเปี่ยมชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วแต่ในโลกนี้ย่อมสาเร็จแก่เปรตทั้งหลายชั้นนั้นเพื่อทรงแสดงความมีน้ำใจของผู้อยู่ในโลกมนุษย์จึงตรัสคาถาที่สิบสบกุลระบุตรผู้เป็นบันฑดต เมื่อหัวนรลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นั้นได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้ช่วยทากิจของเราพวกนั้นเป็นญาติของเรามิตรและเพื่อนของเราดังนี้แล้วพึงทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นเพื่อทรงแสดงความไร้ายประโยชน์ในการเศร้าโศกถึงจึงตรัสคาถาที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด การร้องไห้ก็ตามความเศร้าโศกก็ตามความคร่ำครวญอย่างอื่นก็ตามไม่จำเป็นต้องทำเพราะให้สำเร็จประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถึงจะร้องไห้เศร้าโศกอย่างไรญาติทั้งหลายก็คงอยู่ตามสภาพของตนเพื่อทรงแสดงความมีประโยชน์ของทักษินาจึงตรัสคถาที่สิบสองสิบสองทักษีนาคือการทาบุญอุทิศให้ผู้ตาย ที่พระองค์ถวายแล้วนี่แหละชื่อว่าได้ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆย่อมสําเร็จประโยชน์ตามควรแก่ชนผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นตลอดกาลนานเพื่อทรงสรรเสริญพระราชาในพระคุณตามที่เป็นจริงตรัสคถาที่สามสิญาติธรรมนี้อันพระองค์ได้ทรงกระทำให้เป็นตัวอย่างแล้วการบูชาเพื่อผู้ล่วงลับไป อันพระองค์ทรงกระทำแล้วอย่างโอฬารพระองค์ได้ทรงให้กำลังแก่พิสูจน์ทั้งหลายแล้วและได้ทรงขนขวายในบุญมิใช่น้อยกล่าวกันว่าพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้อยู่ถึงหกวันมีเทพพยายดาและมนุษย์ผู้สังเวชในโทษแห่งเปรตวิสัยได้สำเร็จมรรคผลเป็นอันมากะสูตนี้ชื่อว่าติโรกุธทธูตร ในขุตกะปาธะคุตกะนิกายี่สิบห้าทับเก้าและในเปตวัตถุก็มีชื่อทิโรกุทธะเปตวัตถุโดยธรรมดาบุคคลผู้แสวงบุญไม่จำเป็นต้องคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นญาติเมื่อจะทำบุญอุทิศให้ผู้ตายปรารบใครหรืออะไรก็ได้ทั้งนี้พระบุญย่อมสะท้อนกลับมาอำนวยผลแก่ผู้กระทาโดยแท้ มีเรื่องอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเป็นอุทาหรณ์เรื่องตัวอย่างอนาถบิณฑิกาเศรษฐีหลานเล็กๆของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีคนหนึ่งมีตุ๊กตาซึ่งทำด้วยแป้งที่พี่เลี้ยงทำให้วันหนึ่งเธอทำตุ๊กตานั้นหล่นแตกเธอร้องไห้มากเพราะเข้าใจว่าตุ๊กตานั้นเป็นลูกของตนและตกลงตายพี่เลี้ยง อุ้มไปหาท่านเศรษฐีและเล่าให้ฟังซึ่งขณะนั้นเศรษฐีเฝ้าพระศาสดาอยู่ที่เรือนของตนนั่นเองเศรษฐีปลอบใจหลานสาวว่าจะทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาลูกของหลานแล้วนิมนต์พระศาสดาและพระสงฆ์มาเสวยในวันรุ่งขึ้นเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาว่าคนไม่ตระนีปรารบสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมให้ทานดังนี้เป็นต้น ข้อความตอนหลังๆคล้ายกับที่ทรงแสดงแล้วในติโรกุธสูตรท่อนปลายเรื่องตัวอย่างอุบาสกแบ่งส่วนกุศลในอดีตการสมัยพระกสปะพุเทธเจ้ามีอุบาสกโสดาบันผู้หนึ่งลงเรือไปพร้อมกับกระดุมพีช่างกระบบคนหนึ่งเรือเกิดอับปางท่ามกลางมหาสมุทรเขาเกาะแผ่นกระดานเรือไปถึงเกาะเกาะหนึ่ง พักที่เกาะ น, นั้นแล้วช่างกระะบกหรือช่างตัดผมได้ฆ่านกตัวหนึ่งปิ้งกินและแบ่งให้อุบาสกแต่อุบาสกไม่ยอมรับบอกว่าอิ่มแล้วไม่กินแล้วพร้อมกันนั้นก็คิดว่าการมาอยู่ในที่อย่างนี้ที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนอกจากพระรัตนตรยัยเขาะระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยในขณะที่กาลังระลึกถึงอยู่นั่นเอง พญานาคที่เกิดในเกาะนั้นในระวิดตัวเป็นเรือลำใหญ่มีรัตนะเจ็ดประการเทพประจําสมุทรทำหน้าที่เป็นนายเรือพายเรือไปและร้องตะโกนอยู่รอบๆเกาะว่ามีใครต้องการไปชมภูโทวีบบ้างไหมข้าพระเจ้าต้องการไปอุบาสกตอบเชิญมาลงเรือเทพประจําสมุทรกล่าวอุบาสกกําลังจะลงเรือจึงเรียกช่างกระบอกมาด้วย คนนั้นลงไม่ได้เทพเจ้ากล่าวทําไมอุบาสกถามเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลไม่มีอาจาระอันงามจึงไม่ควรลงเรือลํานี้ขเทพเจ้าอุทิศส่วนบุญจากทานศีลและภาวนาที่ก็พระเจ้าเคยกระทําอบรมมาแล้วให้แก่เขาขอให้เขาได้ลงเรือเถิดอุบาสกขอร้องขเทพเจ้าอนุโมทนาช่างกระระบกกล่าว ถ้าอย่างนั้นลงมาเทพประจําสมุดเชิญและแล้วได้นําคนทั้งสองกลับสู่เมืองพาราณสีการไปด้วยอยู่ร่วมด้วยคนดีมีประโยชน์อย่างนี้ทําให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายและการแผ่ส่วนกุศลให้ผู้รับอนุโมทนาย่อมสาเร็จประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องอุบาสกแบ่งส่วนกุศล ปรากฏในอัธกถาศีลานิสังสชาดกในจตุทวักทุกนิบาตเรื่องตัวอย่างสังคพราหมณ์เมื่อก่อนนี้กรุงพานาสีชื่อนครโมลินีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อสังขะในกรุงโมลินีนั้นเดินทางไปค้าขายทางเรือแต่ยังไม่ทันได้ลงเรือในระหว่างทางพบพระปัจเจ ก, กุพทเจ้ารูปหนึ่ง ซึ่งเดินอยู่บนทรายอันร้อนจัดลมและแดดก็แรงกล้าพรามมีจิตยินดีว่าได้พบบุญญเขตเขาแล้วจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้ากระผมถวายร่มและรองเท้าแก่ท่านขอท่านจงสวมรองเท้านี้และกั้นร่มนี้ไปเถิดถวายร่มและรองเท้าของตนแก่พระปัจเจกก็ะพุทธเจ้าแล้วไปสู่ท่าเรือลงเรือไป บังเอิญเรืออับปางกลางทะเลลึกพระโพธิสัตว์และคนรับใช้คนหนึ่งเอาน้ำมันทาตัวจนทั่วกินน้ำตาลกรวดผงกับเนยใสยจนอิ่มแล้วปีนขึ้นปลายเสากระโดงเรือกระโดดลงไกลประมาณอุภาหนึ่งไหว้ข้ามมหาสมุทรท่านกล่าวว่าว่ายอยู่ถึงเจ็ดวันเทพธิดารักษาสมุทรชื่อมณีเมฆขลาออกตรวจมหาสมุทร เห็นพระโพธิสัตว์แล้วต้องการช่วยจึงเดลเมดเรือมีรัตนเจ็ดประการอุ้มพระโพธิสัตว์ขึ้นเรือไม่ได้เหลียวดูคนรับใช้ของพระโพธิสัตว์เลยเพราะเขามิได้มีคุณธรรมพอที่จะได้รับความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์จึงต้องอุทิศส่วนบุญให้เทพธิดาประจําสมุทรจึงยกเขาขึ้นสู่เรือนําเรือนั้นไปสู่นครโมลินีเรื่องนี้ ปรากฏในอัธกถาสังกชาดกทศกนิบาตท่านกล่าวว่าเมื่อทาบุญอย่างใดอย่างหนึ่งควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้บุญอีกต่อหนึ่งคือบุญอันเกิดจากเราได้ทำเองและบุญที่เกิดจากปฏิทานอเมยกุศลกุศลที่เกิดจากการให้บุญตัวอย่างเช่นพระเจ้าจากักรพรรดิทนามว่าติโล ก, กวิชัย พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นเมื่อทรงบำเพ็ญกุศลแล้วได้ทรงแผ่ส่วนกุศลแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าว่ากุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันข้าพระเจ้าทำแล้วด้วยกายวาจาใจอันเป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพระเจ้าขอแผ่ส่วนกุศลนั้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาสัตว์เหล่าใด ได้รู้ถึงกุศลกรรมของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงมีส่วนเสวยผลบุญนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ขอช่วยเทียบทั้งหลายจงช่วยประกาศด้วยสัตว์เหล่าใดมีชีพยอยู่ด้วยอาหารขอสัตว์เหล่านั้นจงได้โภชนะที่ชอบใจของตนตามความปรารถนาของข้าพเจ้าบุคคลเมื่อมีทรัพย์ควรใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ไปในทางใดบ้าง ในสิงคารกะสูตรถ้าผู้มีพระภาคทรงแสดงการให้ทานเป็นทักษิณาแกมารดาบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วไว้ด้วยถือว่าเป็นการถืออประโยชน์ของพกอัพท์ประการหนึ่งในอาทิยสูตรได้ตรัสแก่อนาถบินทิกะเศรษฐีเรื่องวิถีทางที่จะถืออประโยชน์จากพภอทัพท์ดังนี้ 1. เลี้ยงตนมารดาบิดาบุรพัญญาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 3. บำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆ 4. ีทำพรีห้าอย่างคือก่อญาติพรีสงเคราะห์ญาติขออติถีพรีต้อนรับแขกคอเทวตาพรีทำบุญอุทิศให้เทวดางอ บุพะเปตรพรีทำบุญอุทิศให้ผู้ตายจอราชพีเสียภาษีอากรหบริจาคทานแกสมนาพรามผู้มีศีลมีธรรมบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อได้ทำหน้าที่ต่างๆโดยใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ดังกล่าวมาชื่อว่าได้เข้าถึงประโยชน์แห่งการมีพวกทรัพย์ชื่อว่าได้ทำกรรมอันไม่ทำให้ตนเดือดร้อน เป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมถวยเทพย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์การอนุเคราะห์บุตรของมารดาบิดาการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันห้าอย่างมีการห้ามจากความชั่วเป็นต้นเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับสิงคาระกะมานพว่าดูก่อนบุตรแห่งขาหาบดีทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเมื่อบุตรบำรุงเลี้ยงท่านด้วยฐานะห้าอย่างแล้วตามที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะห้าอย่างเหมือนกันคือหนึ่งห้ามจากความชั่วสองให้ดำรงอยู่ในคุณความดี 3. ให้ศึกษาศิละปะวิทยา 4. หาพัญญาอันสมควรให้ 5. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควรดูก่อนบุตรแห่งข้าบดีทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยฐานะห้าอย่างดังนี้แล 1. หนึ่งห้ามจากความชั่วความชั่วคือทุจริตทางกายวาจาใจ มารดาบิดาย่อมไม่ปรารถนาให้บุตรของตนกระทำบุตรทำชั่วหรือมีเสียงเล่าลือว่าบุตรชั่วนั้นเป็นความปวดร้าวโทมนัสอย่างยิ่งของมารดาบิดาบุตรยากจนเป็นโรคพ่อแม่ยังไม่เดือดร้อนเท่าบุตรชั่วการทำชั่วของบุตรเป็นการทำร้ายหัวใจอันดีงามของมารดาบิดาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ลูกยังเล็ก มารดาบิดาจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อห้ามบุตรจากความชั่ว 2. ให้ดำรงอยู่ในคุณความดีในทางตรงข้ามมารดาบิดาย่อมปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้บุตรกระทําดีเป็นคนดีมีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีเป็นความปลื้มใจอย่างใหญ่หลวงของมารดาบิดาเมื่อได้เห็นหรือได้ทราบว่าบุตรของตนเป็นคนดี รางวัลอันประเสริฐสําหรับหล่อเลี้ยงหัวใจของมารดาบิดาคือความดีของลูกเพราะฉะนั้นมารดาบิดาจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรมครองเรือนด้วยความสงบสุขบางท่านถึงกับจ้างลูกเพื่อให้ทําความดีบางอย่างเช่นท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีเป็นต้นเรื่องตัวอย่างกาลกุมาร บุตรอนาถบินธิกะเสียถีอนาถบินธิกะมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อกาลกุมารเขาไม่สนใจในการเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมหรือในการขวนขวายการบุญกุศลใดๆวันหนึ่งอนาถบินทิกะพูดกับเขาว่าลูกถ้าเจ้าสามารถรักษาอุโบสถฟังธรรมในวิหารแล้วกลับมาพ่อจะให้ทรัพย์ร้อยกหาปณะนะ เพราะโลภในทรัพย์กาลกุมารจึงไปยังวิหารรับอุโบสถศีนแล้วไม่ฟังธรรมไปแอบนอนเส้นในที่ผาสุกแห่งหนึ่งพอรุ่งเช้ากลับบ้านขอเงินพ่อร้อยกหาปณะนะเมื่อพ่อไม่ยอมให้เพราะทําได้ไม่ครบตามสัญญาเขาก็ไม่ยอมบริโภคอาหารเมื่อได้ทรัพย์แล้วจึงบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้น เศรษฐีพูดกับลูกชายอีกว่าลูกวันนี้ไปเรียนธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าสักบทหนึ่งนะกลับมาพ่อจะให้ทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะเขาอยากได้ทรัพย์จึงไปอีกไปยืนฟังธรรมอยู่พระาศาสดาทรงบรรดาให้เขาจำไม่ค่อยได้จึงต้องยืนฟังอยู่นานฟังไปฟังไปได้สำเร็จโสดาบันวันรุ่งขึ้น กลับมาบ้านพร้อมกับพระศาสดาเมื่อพระศาสดากำลังเสวยเศรษฐีได้ส่งห่อรับให้เขาเขาละอายที่จะรับห่อรับต่อหน้าพระผู้มีพระภาคจึงไม่รับเศรษฐีเห็นอาการข้องบุตรแปลกไปจึงถามเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการรับแล้วเพราะได้สิ่งอันประเสริฐกว่าพระศาสดาจึงตรัสย้ำว่าประทับพยาเอกรัชเชนาะ สักขัสะขมเนนะวาสัพพะโรกาทิปัดเจนะโสตาปฏิพลังวรังโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการไปสวรรค์และประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยาการศึกษาเป็นบนไดายสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้ก้าวไปสู่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีและสู่ความเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงมีอาชีพอันมั่นคงนำกิจยศมาสู่วงสกุลมีความสง่าผ่าเผยในวงสมาคมชั้นสูงเพราะฉะนั้นมารดาบิดาจึงยอมลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อให้บุตรได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงกับมีโบราณภาษิตว่า มารดาเป็นภัยรีมีดาเป็นศัตรูเพราะไม่ให้บุตรศึกษาเขาไม่สง่าผ่าเผยในที่ประชุมเหมือนนกยางในฝูงหงฉะนันการศึกษาศิลปะวิทยามีความสำคัญต่อความรุ่งโรจน์และความสะดวกสบายในชีวิตเป็นอันมากแต่การศึกษานั้นย่อมควรเป็นไปตามความถนัดและอุปนิสัยของแต่ละคน อาจเป็นทางช่างทางการฝีมือเครื่องยนต์กลไ ก, ลกเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรืออื่นอื่นอีกแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ขอให้รู้จริงทำได้จริงในสิ่งนั้นก็ย่อมจะใช้วิชาประครองอาชีพให้เป็นหลักเป็นฐานทำให้ตระกูลมั่นคงรุ่งเรืองเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 4. หาพัญญาอันสมควรให มารดาบิดาย่อมหวังความเจริญเป็นปึกแผ่นและภายศาลของบุตรดาดังนั้นเมื่อบุตรธิดาอยู่ในวัยอันสมควรจะครองเรือนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบบ้างแล้วจึงปรารถนาให้มีพัญญาหรือสามีอันสมควรแก่ตนหากมีบุตรชายก็พยายามสอดส่องมองหาว่าหญิงใดตระกูลใดจะพึงเหมาะสมแก่บุตรของตนหรือหากมีบุตรตรี ก็พยายามสอดส่องมองหาว่าชายในตระกูลใดเหมาะสมแก่บุตรีของตนหากเห็นแล้วชายนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยที่ดาของตนก็พลอยยินดีไม่ห้ามหากชายใดมาติดต่อเกี่ยวข้องกับบุตรีแต่ท่านเห็นว่าชายนั้นไม่สมควรแก่บุตรีของตนท่านก็ห้ามเสียบุตรชายก็เหมือนกัน เมื่อไปเกี่ยวข้องกับหญิงอันท่านเห็นว่าไม่ดีพอท่านย่อมห้ามเสียเมื่อเห็นว่าดีแล้วจึงอำนวยตามหากบุตรหรือธิดาไม่มีกำลังทรัพย์และฐานะดีพอที่จะแต่งงานได้ท่านก็จัดการให้ชีวิตครอบครัวนั้นพันยาหรือสามีมีความสำคัญมากหากพันยาดีสามีดีที่ท่านเรียกว่าสามีเทวดาพันยาก็เทบธิดา ย่อมจะคลองคู่กันอบอุ่นมีความสุขหากได้พัญญาไม่ดีหรือสามีไม่ดีก็เดือดร้อนนอนทุกข์ไปจนตายหรือจนกว่าจะเลิกร้างจากกันการมีพัญญาดีเหมือนมีเม็ดคู่ใจอันยอดเยี่ยมมีกำลังใจในการหาทรัพย์ในการสร้างเนื้อสร้างตัวสตรีที่ได้สามีดีเหมือนมีเทพเจ้าคุ้มครอง ย่ามีความสุขกายสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนใครได้สามีไม่ดีก็เหมือนเอาไฟมาสูงไวในอกหรือใต้ถุนเรือนทำให้เดือดร้อนนั่งนอนปราศจากความสุขบางทีก็แล้วแต่โชคเหมือนกันโชคไม่ดีก็ทำให้เห็นดีเห็นงามไปแม้ในคนที่ไม่ดีเป็นคู่เวรคู่กรรมไปหมอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันควร ทรัพย์สมบัติต่างๆที่มารดาบิดาพยายามลงแรงทำและเก็บรวบรวมไว้จุดประสงค์ก็เพื่อให้บุตรในสมัยอันควรในที่นี้ท่านแสดงสมัยไว้สองคือ 1. นิจจะสมัยคือให้เสมอเสมอ 2. กาลสมั ย, ม ย, ม ย, มยคือให้ตามการเวลาบางการบางคราวเมื่อบุตรยังอยู่ในฐานะยากจนยังพึ่งตัวเองไม่ได้ หรื อ, อยังศึกษาเล่าเรียนอยู่มารดาบิดาย่อมให้ทรัพย์เป็นนิดเพื่อศึกษาหรือเพื่อเป็นทุนในการทำมาหากินเมื่อบุตรเติบโตทำงานทำการได้แล้วหาทรัพย์ด้วยตนเองได้แล้วมารดาบิดาย่อมให้ทรัพย์บ้างบางการบางสมัยเช่นสมัยแต่งงานสมัยบวชสมัยเดินทางไปต่างประเทศหรือเวลาป่วยไข้เป็นต้น บางท่านก็ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้บุตรแทบทั้งหมดเมื่อเห็นว่าบุตรเป็นคนดีและมีความสามารถที่จะคุ้มครองทรัพย์สมบัติได้แล้วอย่างนี้ก็เรียกว่ามอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยอันควรถ้าบุตรฤทธิดาทำตนไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะรับทรัพย์มรดกท่านก็ไม่มอบให้เกรงจะทำลายของท่านเสียอย่างนี้จะไปโทษท่านไม่ได้ เหตุที่มารดาบิดาปรารถนาบุตรท่านกล่าวว่ามารดาบิดาเห็นฐานะอันดีงามห้าอย่างจึงปรารถนาบุตรสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ในฐานะห้าประการจึงต้องการบุตรคือหนึ่งบุตรอันเราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเราตอบสองจักช่วยทํากิจของเราสา จากดำรงวงศกุลให้อยู่นาน 4. จากรับทรัพย์มรดกของเราเป็นทายาทของเรา 5. จากทำบุญอุทิศให้เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นบุตรทั้งหลายผู้เป็นคนดีมีกะตัญยูกตเวทีเมื่อหววเราเลึกถึงอุปการะของมารดาบิดาแล้วพึงททำความปรารถนาของท่านให้บริบูรณ์คือจากเลี้ยงท่านตอบ จกช่วยทํากิจธุระของท่านไม่เพิกเฉยดูดายเป็นต้นบุตรผู้อยู่ในโอวาทเลี้ยงท่านผู้เลี้ยงตนมาแล้วไม่ทําวงศ์สกุลให้เสื่อมเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสรรเสริญแท้